ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบกราบหลวงพ่อคาเขียนหลวงพ่อเทียนนะครับกราบกอวกาดประารย์มัตนะชัยแล้วก็กอกาดเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรเนาะพวกเราลุกเน้นมาหรือว่าก็ไม่รู้ <c oughs> เจริญพรภิกษุนีนะครับ แม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาพวกเราก็เ็เรียกว่าต้องต้องเรียกว่าต้องก่าวพระพุทธเจ้าก่อนเนาะเพราะว่าที่ทำให้เราได้มาสวดมนต์ไหว้พระกันตอนเช้าวันนี้เนื่องจากว่าบางทีเราก็ตื่นมาเนาะตื่นมาก็ตะลีตะลานไปทำงานทำงานอะไรกันต่างๆ เนาะมันก็ไม่เหมือนเช้าวันนี้เราตื่นเช้ามาวันนี้เราก็เหมือนกับได้มาสวดมนต์ซึ่งบทสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าที่เราสวดนะทั้งอัคตะทั้งพยัญชนะใช่ทั้งเนื้อความแล้วก็ทั้งถ้อยคำเนาะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากๆการที่เราอาจจะพูดทั้งวันเนาะ แล้วก็พูดทั้งวันกันแต่ว่านั่นคือมันไม่เหมือนกันเนาะกับการที่เรามาออกเสียงออกเสียงในพระธรรมเนาะออกเสียงถึงพระธรรมต่างๆเมื่อเราออกเสียงเนาะในคำในถ้อยคำที่เป็นพระธรรมเราก็ได้ยินได้ยินพระธรรมตรงนั้นได้ยินแล้วก็ได้ได้ฟังความหมายเนาะในสิ่งที่เราได้ออกเสียงไป ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุญเนาะเป็นบุญที่ว่าเช้าวันนี้เราก็ได้เหมือนกับได้มาฟังถ้อยคำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะทำชะไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแกเ่เราได้เนาะคือทำยังไงทำทำยังไงนี่ก็ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคำถามทิ้งไว้ให้เร า, ล, าลอยให้เราหาคำตอบเนาะแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็ คำตอบต่อมาก็คือสิ่งที่เราเนาะพระภิกษุก็ดีเนาะหรือว่าจะเป็นญาติโยมก็ดีก็จะมีคำที่บอกบอกว่าอันที่หนึ่งเนาะก็ให้เราได้เหมือนกับว่าได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนาะก่อนเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยการที่เราเรียกว่านับถือพุทธก็ดีเนี่ยใช่มครับคือให้เราได้เหมือนกับว่าให้เราได้น้อมเอามาใส่ตัวไม่ใช่ว่า เพียงแค่คําว่านับถือเพราะว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคําว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรงนี้เนี่ยก็มีความสําคัญมากๆเพระาะว่านั่นคือหลวงพ่อเขมีเขียนก็บอกอยู่เสมอมาว่าหลวงพ่อไม่มีลูกศิษย์ <c oughs> เขาเก่งของเขาเอง <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับหลวงพ่อก็เหมือนกับครูเนาะที่อยู่ใน ใช่ไหมครับที่สอนในชั้นเรียนใช่ไหมครับนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะมีคนเก่งนะอาจจะมีคนไม่เก่งอย่างเงี้ยอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นนั่นคือความเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับครูที่อยู่ในชั้นครูที่อยู่ในชั้นก็ทําหน้าที่บอกทําหน้าที่สอนส่วนคนที่เขาจะเก่งหรือไม่เก่งนั้นเขาเก่งของเขาเองถ้าคนที่เขาแบบว่าเอาใช่ไหมเอาคําสอนเนาะมา มาทำมาปฏิบัติมาทบทวนมาอะไรต่างๆนานๆเขาก็จะเก่งขึ้นมานั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่พระอาจาเองก็ยืนยันนะมาตรงนี้เนี่ยตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่นคือหมายถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของเราเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้บอกผู้สอนอะไรแต่ว่านั่นคือเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเพียนเนาะเราก็ จะได้รู้มากขึ้นมากขึ้นจะเก่งมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการที่เราเนาะมาออกจากเรือนเนาะออกจากเรือนออกจากเรือนมาอยู่วัดตรงนี้ก็สำคัญนะเนาะแล้วก็ลองสังเกตดูนะว่าบางทีใช่ไหมตัวอยู่ที่นี่นะใจก็อยู่ที่บ้านยางไงเนานะตรงนั้นไม่เรียกว่าออกจากเรือน เพราะว่านั้นคือมันเหมือนกับว่าเราก็ออกมาแต่ตัวแต่จริงๆใจอ่ะที่เป็นส่วนสําคัญอ่ะจะมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็รู้อยู่นะก็อย่างเออยาก ย, าย้ใหญ่มุมที่บ้านจะเป็นยังไงต้นไม้ต้นไล่จะเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาหล่านั้นลูกเต้าจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่เราเราเองเราก็ต้องเหมือนกับว่าทําทําตรงนี้ให้ชัดเจนมาเราเนี่ยออกจากเรือนมาออกจากเรือนมาเพราะอะไร เพราะว่าเราตั้งใจเนี่ยจะมาพัฒาหาก็เรียกว่ามหาธรรมเนาะมหาธรรมนั่นนั่นคือถ้าเราตั้งใจออกมาหาธรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับว่าลองเนาะลองหาดูลองหาดูว่าเราจะหาธรรมได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยเนาะมันยังไปพัวงกับเรื่องอื่นเนี่ยการที่เราจะหาอะไรต่างๆก็หาไม่เจอ เหมือนเวลาเราทำของหายเนาะเวลาที่ใจเราพวงว่าหาไม่เจอเราหาไม่เจอเราเนี่ยเราก็ค้นนะคนอยู่นั่นแหละแต่ไม่หาหาไม่เจอจริงๆของก็อยู่ตรงนั้นนะเนาะพอเวลาที่เอา้าลองดูสิลองตั้งใจหาดูอีกสักทีใช่ไหมอย่างเนี้ยใจมันอยู่ตรงนั้นแล้วนะเราก็หาเจออย่างเนี้ยนั่นนั่นคือนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยเนาะ เราทำแบบนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแบบนั้นั่นนั่นคือการที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยได้ย้ำกับเรานะบอกว่ากายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นนะเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมารับรู้นะเนี่ยตรงนี้ก็คือการที่บอกว่าให้เราเนี่ยได้ลองนะ <c ười> ได้ลองสังเกตดูนนะว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนถ้าเราเริ่มสังเกตเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ละว่าตอนเนี้ยเนาะว่าเออเราเนาะใจอยู่กับตัวหรือว่าตอนนี้ใจเราเนี่ย หลงไปที่ไหนเนี่ยคำว่ารู้คำว่าหลงเนี่ยก็คือแบบนี้เนาะรู้ได้ไหมว่าตอนนี้ใจยอยู่ที่ไหนรู้ได้ไหมว่าตอนนี้เรากาลังทำอะไรนะถ้าเรารู้ได้ไหมว่าตอนนี้กำลังทำอะไรเนี่ยเราก็นึกถึงนะตอนที่เราเดินนะเราเดินมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่เดินไปเนี่ยเดินไปคิดไปเดินไปคิดไปเนาะเราเดินได้เนาะเดินได้มาตั้งแต่เล็กเนาะใช่ไหมยอย่างนั้นแบบ แต่เดือน9เดือนเนาะบางคนก็เริ่มเดินแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือกันนั่นอ่ะมันหมายถึงว่ากายเนาะก็ไปทางหนึ่งแต่ว่าใจเราใช่ไหมก็อยู่กับความคิดใจแล้วก็อยู่กับสายตาที่เห็นใจอยู่กับสิ่งที่เราสนใจต่างๆคำว่าสนใจต่างๆก็คือใจเรานาะมันไปสนอยู่ที่ตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้มาสนใจอยู่กับอาการของการเดิน นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเดินไปแล้วตกหลุมตกล่องเท้าพลิกเท้าแผลง ก, ก็เกิดขึ้นมันนี้นั่นนั่นคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆแบบนเนี้ยเนาะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแต่บ้านนั่นคือมันเป็นอยู่ที่ว่าเราเองก็ไม่ได้สังเกตว่านั่นคือในขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยใจเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยหลวงพ่เทียนหรือพ่อคำเขียนเนี่ย ท่านถึงได้เนาะได้บอกมาเป็นอย่างอย่างแรกๆเลยเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้เนาะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยแต่คําบอกแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับเราก็ได้ยินครูนะเอาตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนซึ่งคําบอกคําสอนแบบนี้ใช่ไหมครับแบบจริงๆก็ดีมากๆนะแต่ว่านั่นคือหลวงพ่อเทียนหรือว่ากําเขีนท่านก็คงมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางที เราเองเราก็ยังไม่มีสติเพียงพอเนาะที่จะมาระ ล, ลึกรู้ว่าตอนนี้เนี่ยแบบว่าเมื่อกายทําอะไรเนี่ยใจทําด้วยไหมเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยใจมาคอยรับรู้ไหมนั่นนั่นคือ14จังหมะก็เกิดขึ้นนะสิจังหมะก็เกิดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยได้คอยลองเนาะลองรู้เป็นครั้งๆลองรู้เป็นครั้งครั้ง เคลื่อนครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะเคลื่อนครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคำสอนนะเป็นคำสอนที่ท่านก็จะบอกเนาะบอกเป็นอย่างแรกๆรู้เป็นครั้งคงนะรู้เป็นครั้งๆนะนๆนะแต่พอรู้เป็นครั้งครงนะรู้เป็นครั้งๆนะเราก็คิดเอาอีกเนาะนี่เป็นสิสจังหวะใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือเราก็ลวดเดียวไปเลยสิบี่จังหวะอาจารย์กำพลเนาะ ที่เป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนเอ้ของหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์กมพลก็ท่านเป็นคนพิการใช่ท่านก็บอกพวกเราว่าโอ้พวกท่านนะพวกเราคือหมายถึงว่าผู้คนที่มาฟังอาจารย์กมพลพูดธรรมะนะบอกว่าโชคดีนะที่แบบว่าสามารถที่จะแบบเคลื่อนเคลื่อนไหวได้ถึง14จงังหมะ รู้ได้ถึง14ครั้งผมอะจะแม้แบบว่าแบบพลิกมือได้แค่นั้นเองเพราะว่าอาจารย์กรนเป็นอมภาสเนาะเมื่อไหร่อาจารย์กว ะ, น, น, าากะนก็แค่พลิกเนาะก็รู้ครั้งหนึ่งพลิกแล้วก็รู้ครั้งนึงแค่นั้นเองก็เกินขีดความสามารถของคนเป็นอมภาสปกติอยู่แล้วไอ้การที่จะมายกมือ14ครั้งรู้14ครั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่นั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังแบบนี้เนี่ย เวลาที่เราทําจริงๆเนี่ยการที่เรารู้เนาะรู้เป็นครั้งครังรู้เป็นครั้งครั้งบางทีเราก็ทําไม่ได้นะเพราะนั้นคือเราก็เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวไปตามครามเคยชินบ้างเคลื่อนไหวไปก็เคลื่อนไหวไปตามการคิดการนึกอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นไปบ้างเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยไอ้การที่เราเนี่ยหัดเนาะก็เรียกว่าหัดเคลื่อนไหว ในท่านั่งเนี่ยที่บอกว่าเคลื่อนสิบสี่จังหวะตรงนี้เป็นสูตรสำคัญที่ให้เราได้หัดเนี่ยคอยรู้เป็นครั้งครั้งคอยรู้เป็นครั้งครั้งนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เราพลิกครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งยกครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการรู้แบ บ, แ บ, บแรกว่ารู้แบบสบายๆเนาะรู้แบบไม่ทุกข์่เรู้แล้วก็จบไปรู้แล้วก็วางไป ไม่ใช่รู้แล้วก็คิดเนาะคิดก็หนักไปเนาะเอ๊ะอะไรอย่างไนอะไรต่ตางๆนานาเหล่านั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยมากาันที่เป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันมันจะทําให้เราเนี่ยไม่มีก็กลายว่าหมดมันก็ไม่ถึงกับหมดโอกาสนะแต่ว่าเหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับได้วางความคิดที่ผ่านกข้มาเนี่ยง่ายขึ้นนั่นนั่นคือการที่เราคอยรู้ ครั้งหนึ่งยกครั้งหนึ่งจบไปเอเดี๋ยวเราก็เคลื่อนอีกครั้งหนึ่งต่อไปเนี่ยตรงนี้ความคิดที่แทรกเข้ามาเนี่ยเขาจะแทรกมาได้น้อยเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาทําอะไรเราก็คิดกันตลอดเวลานะนั้นนั่นคือหลวงพ่อเทียนนะก็ยังบอกว่าเมื่อรู้ว่าคิดนะกลับมาก่อนกลับมาอยู่การเคลื่อนไหมายครั้งต่อไปเนี่ยกลับมาอยู่การเคลื่อนไหมคิดก็กลับมาตรงเนี่ยนั้นนั่นคือการที่14จังหวะเนี่ย มันชีวิตจะให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าพอรู้ว่าคิดรู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยก็กลับมาก่อนรู้ว่าหลงไปคิดก็กลับมากลับมาอยู่กับการเคลื่อนใหม่ครั้งใหม่กลับมาอยู่การเคลื่อนใหม่ครั้งใหม่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พอเวลาที่เราทำกันทำกันบ่อยๆทากันบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ขยายนะก็เรียกขยายผลไปหลวงพ่อเขียนออกมาทำเวลาที่เราทำดีอย่างหนึ่งเนี่ย แบบว่าผลของความดีเนี่ยมันจะมาเป็นพวงในขณะที่เราอาศัยเนาะเรียกว่าการที่เรารู้ไปกับการเคลื่อนไหวเนี่ยพอเรารู้อยู่ในรูปแบบเนี่ยเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนาะจะใส่รองเท้าเนาะจะหยิบล้มจะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยการเคลื่อนไหวพวกนั้นเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยได้เหมือนกับโอ้มีความรู้สึกตัวมีสติกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นตรงนี้แหะจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า มันเป็นการขยายผลไปขยายผลไปพอเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกตัวเป็นครั้งครรู้สึกตัวเป็นครั้งครเนี่ยรู้รู้จักเป็นแล้วเนาะแล้วก็กลับมาได้บ่อยเนาะกลับมาจากไหนกลับมาจากหลงไปคิดเนี่ยได้บ่อยครั้งเนี่ยตรงนี้สติของเราเนี่ยก็จะตั้งมั่นขึ้นพอสติของเราตั้งมั่นขึ้นเนี่ยเราเองเราก็จะค่อยๆได้เหมือนกับว่าได้ได้เห็นเนาะ ได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นได้เห็นความคิดโอ้เมื่อกี้เนะแบบว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องคิดเรื่องนี้อะไรต่างๆนี่พอเวลาที่อืมเวลาที่เราคิดเนี่ยบางทีมันก็เราก็หลงไปคิดต่อไปอีกนะาะหลวงพ่อคำเขียนจะบอกว่าเป็นดับเบิลคิดก็ <c oughs> คือพอเราคิดไปเข้าแบบว่าก็ไปว่าอืแบบเสียใจเนาะกับการคิดไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือตรงเนี้ยนะมันก็เป็นการคิดที่ซ้อนคิดเข้าไปตรงเนี้ยป็นเป็นสิ่งที่ให้เราได้เหมือนกับว่าได้หัดเนาะหัดที่จะวางอาศาัยความเคลื่อนไหวแต่และครั้งแต่และครั้งเนี่ยหัดให้เคยชินที่จะวางความคิดตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่าความคิดพวกนี้นะหลวงพ่อคําคเขียนเนี่ยขยายความว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดมาก่อนเราไม่ได้ตั้งใจคิดมาก่อนเพราะว่าในขณะที่เรากําลังนะตั้งใจนะ อยู่กับรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวกําลังตั้งใจรู้สึกไปกับความเคลื่อนไหวเนี้ยใจของเราเนี้ยมันก็ควรอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเนาะใช่ไหมอย่างนั้นอะไรแต่ในขณะที่คําว่าคิดเนี้ยนั่นคือใจเราเนี้ยไปผสมรล่กับความคิดไปสมรู้ร่วมคิดเนาะก็เรียกว่าคําว่าสมรู้ร่วมคิดก็คือเมื่อมีความคิดนี้ผ่านมาก็าปรุงแต่งต่อไปนะเป็นอะไรหลายๆเรื่องขยายต่อๆไปอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ให้เราเนี่ยได้มองเห็นนะว่าเออนี้แบบว่าเวลาที่เรารู้สึกตัวเนาะเวลาที่เราเห็นความคิดเนาะเวลาที่เราเหมือนกับว่ารู้ว่าเราคิดเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจบอยู่แค่รู้ว่าคิดหรือเปล่าหรือว่าไม่จบอยู่แค่นั้นอย่างเงี้ยนะเราไปเหมือนกับว่าต่อไปอีกนะหลงต่อไปอีกเนี้ยนั่นก็คือตรงเนี้ยก็ให้เราได้สังเกตเนาะ ให้เราได้สังเกตเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะหลงไปไง่ายๆนะความรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนจะบอกอกว่าให้เรารู้ซื่อๆแต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยรู้ซื่อๆเพราะเนื่องจากมาไอการที่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาจริงๆก็คือมันจะมีความจําได้นะมีความชอบความชังเนี่ยที่แบบๆเราปรุงเราแต่งเอาไว้นะตรงเนี้ย มันเป็นความเคยชินที่เราทํากันมาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะตามมาเรียกว่าตามมาเหมือนกับเป็นสิ่งสิ่งเดียวเลยล่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาที่เรารู้จักแยกแยะนะรู้จักแยกแยะผ่านอะไรผ่านการรู้เป็นครั้งครั้งการรู้เป็นครั้งครังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้เราได้รู้สึกได้เร็วขึ้นมาอืมอันนี้นะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่จิตเราเนี่ยไปเกาะอยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ถ่าผ่านก็นมานะ อย่างเมื่อก่อนใช่ไหมทํางานเวลาที่ทํางานอยู่ในเมืองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเรื่องอะไรต่างๆพอเวลาที่ล้างหน้าปุ๊บเนาะใช่ไหมเราก็สัมผัสถึงหนวดที่ยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยพอสัมผัสจริงๆอะ่ะคำว่าสัมผัส ถ, ถึงหนวดที่ยาวเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกัน เราก็รู้สึกได้นะถึงว่าเออนี่หนวดมันเกิดขึ้นบนใบหน้าใช่ไหมอย่างนั้นอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พอคําว่ายาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบหรือความไม่ชอบคนอยากไว้หนวดเขาก็อาจจะว่าสั้นนะแต่ว่าพอเราไม่อยากมีหนวดเราก็ว่ า, วามันยาวอย่างเงี้ยเพราะนั้นนึงคือตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเนี้ยเนาะมันเป็นเรื่องที่พอเรารู้สึกแล้วเนี่ยมันจะไหลไปสู่นะไอ้การปรุงกันแต่งความชอบความชังทัน ท, นที นั่นก็คือการที่เรารู้ซื่อเนี่ยก็คือรู้สั้นๆรู้สั้นๆรู้แล้วก็พอรู้แล้วก็พอการที่เราเนี่ยเคลื่อนครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งเนี่ยจะช่วยให้เรารู้จักรู้สั้นๆเป็นการที่เราบานทีเราเคลื่อนอย่างอ้อยอิงเนาะใช่ไหมครับเคลื่อนอย่างอ้อยอิงเคลื่อนช้าๆอย่างเงี้ยเนาะการรู้ที่มันรู้ยาวๆจบไม่ลงเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันจะชวนให้เราเนี่ยปรุงแต่งต่อไปนั่นนั่นคือตรงนี้เนาะเวลาที่เรา ยกมือสร้างจังหวะกันเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าลองนะลองคอยรู้สึกนะว่าอืการยกแบบไหนการเคลื่อนแบบไหนที่มันกระชับกระชับนะไม่ใช่รู้แบบว่าแบบอ้อยอิงจนเกินไปหรือบางทีก็คอยรู้สึกนะเป็นกับการยกนะยกว่าอันนี้มันเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะบางทีเร็วเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่หยุดเป็นครั้งครั้งนะเพราะมันจะยาวเป็นสายไปเลยอย่างนนะ ซึ่งหลวงพ่อเทียนจะบอกบอกว่าอันนั้นนะมันเป็นเรื่องของการรู้แบบเห็กเส้นนะไม่ใช่รู้เป็นครั้งครัแบบที่ต่อเนื่องกันแบบลูกโซ่เพรนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็ให้เราแบบว่าแค่คำว่ารู้ครั้งครงัรู้เป็นครั้งคงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทําได้เนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นอานิสงส์มากๆนะครับแล้วก็มันจะต่อไปถึงสิ่งต่างๆเนี่ยอีกหลายๆอย่าง ที่เราที่เราใช้กับชีวิตปัจจุบันมันจะต่อไปทั้งที่แบบว่าคือเรียกว่ามันจะทําให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเข้าไปสู่ชีวิตประจําวันได้โดยง่ายแล้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยแค่รู้แค่ฟังเนี่ยไม่พอนญาติธรรมหลายคนเนาะมาวัดหลายหลปีหลายๆปีเนี่ยแล้วก็บอกบอกว่าเนี่ยผมก็ฟังเทศฟังธรรมมานานแล้วนะแต่ก็เหมือนกับทำไมยังทุกอยู่ใช่ไหม นั่นคือตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามาแล้วเราก็กลับไปเรามาแล้วก็กลับไปเราไม่เคยให้โอกาสตัวเองเนี่ยมานั่งปฏิบัติต่เอเนื่องเนาะเป็นเวลาหลายๆวันไม่เคยทำนองเดียวกันเนี่ยเมื่อหรือไม่งั้นก็บางคนก็มีการปฏิบัติต่อเนื่องที่วัดพอกลับไปบ้านก็ลืมเนาะลืมอาศัยว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่ารู้สึกนะว่าเรามีสติไปกับการเคลื่อนไหวหรือเปล่า ตรงนี้แหละสำคัญตรงที่ว่าเมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเรานั่งก็อยู่ที่วัดเนาะออกมาจากเรือนแล้วเนี่ยเรามาทําความเคลื่อนไหวกันตรงนี้ให้ความเคลื่อนไหวตรงนี้น่ะได้ให้เราได้ระลึกรู้ว่าเรามีสติลงไปที่กายไหมมีสติลงไปที่ใจไหมยอย่างเนี้ยอย่างนั้นหลวงพ่อเขียนจะใช้คําว่ามีสติลงไปในกายมีสติลงไปในใจจริงๆก็หลวงพ่อเองก็ชอบนะชอบคํานี้ มีคำว่ามีสติลงไปในกาย <S <S มีสติลงไปในใจเนี่ยทีมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้เนาะกายภายนอกก็ได้หรือว่าเรารู้กายภายในก็ได้ในความปวดเมื่อยเนาะหรืออะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมาความเป็นเน็บชาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องรู้แต่ว่าเราต้องรู้อะไรให้เราได้รู้นะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ มันตั้งอยู่ยังไงแล้วมันดับไปยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราหัดนะรู้เป็นครั้งครรู้เป็นครั้งครเนี่ยกับการที่เรายกมือสร้างจังหวะนะแล้วก็คอยนะที่จะหัดรู้เป็นครั้งครั้รู้ละวางรู้ละปล่อยรู้ระวางรู้ระละป ล, ะละ่อยตรงนี้เนี่ยเราจะทําให้เราได้เห็นนะก็เรียกว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะ อย่างบางทีพอเวลาที่เราเนะริ่มยกเบือสร้างจังหวะเนี่ยเราก็จะเห็นเนะขียนว่าโอ้นี่เราเผลอไปคิดนะตรงที่เราเห็นว่าเผลอไปคิดนะ่ะเรื่องว่าความคิดมันตั้งอยู่เนาะแต่พอเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นก็หมายถึงว่าความคิดอันนั้นมันดับไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือเราเองเราไม่ทันสังเกตนะเนื่องจากว่าเราเหมือนกับว่า สติเรายังไม่ไหวเพียงพอความรู้สึกตัวเรายังไม่ละเอียดเพียงพอไม่ละเอียดเพียงพอเพาะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกนะที่จะคอยรู้เป็นครั้งครงักินข้าวก็คืออิ่มอาบน้ําก็คือเสร็จใช่ไหมครับอย่างนั้นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าการที่เราคอยรู้เป็นครั้งครงรู้เป็นครั้งครเนี่ยหมายถึงว่ารู้เนาะรู้ที่มันเป็นเรื่องการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไป การเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เหมือนกับคอยรู้สึกเนาะอย่างอที่เช่นบางทีเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันความง่วงเนี่ยที่เรารู้สึกเลยก็คือโอ้ยมันง่วงมันง่วงมากๆเลยมันง่วงแบบเหมือนถูกน็อกปลคางอย่างนี้นะคือตรงนั้นความง่วงมันตั้งอยู่แนละ้ว ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ทันรู้มาสัญญาณความว่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรายังไม่ทันได้สังเกตเห็นเนี่ยนั่ น, นัคือตรงนเนี้ยเนาะพอเวลาที่เรานอนแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆเรายังไม่ไม่ละเอียดเพียงพอที่จะเห็นนะว่าอื้มความว่วงมันเกิดขึ้นมายังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยพอเราเห็นมาโอ้นี่ความว่วงกําลังเดินมาใช่ไหมเราก็เหมือนกับว่าไม่ยุ่งกับเขาก็ได้ แต่พอเวลาที่เราไม่เห็นแบบนี้เนี่ยพอความง่วงเขาจู่โจมเข้ามานะเราก็อยากจะหาที่หลับที่นอนอยากจะหาหมอนหามุ้งกันเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่นี่คือเป็นเรื่องของอนิสงฆ์เนาะในการที่เราเนี่ยแบบว่าคอยเนาะทํำคอยทําตามคําสอนเนี่ยคอยทํามคำทำตามคําสอนของพุทธเจ้าเนาะในเรียกว่าอัฏฐะเนาะในความหมายแล้วก็พยัญชนะเนาะ บางทีคำคำหนึงเนี่ยมันมีความลึกความซึ้งเนี่ยครูบาอาจารย์เนาะที่ถ่ายทอดเนาะการปฏิบัติมาถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองมาที่ครูบาอาจารย์จะไม่พูดอะไรมากเนาะแต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยคำว่าไม่พูดอะไรมากก็คือพยัญชนะสั้นๆของท่านอะมันมีสิ่งที่เราเองต้องเรียนรู้เนาะต้องเรียนรู้ความหมายของตรงนั้นผ่านการปฏิบัติหรือว่าคำเขียนเนี่ย ท่านจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะท่านจะไม่ค่อยได้เหมือนกับว่าได้คอยสอบอารมณ์ได้อะไรต่างๆนาน า, นาท่านจะพูดบางดีก็ท่านก็พูดสั้นๆระวังหลงหน้าอย่างเงี้ยแบบนั้น <c oughs> คําสั้นๆของท่านเนี่ยครอบคลุมมากมายเนาะใช่ไหมอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าบางทีเราฟังคําครูเนาะเราฟังคําของท่า น, นฟังคําของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยคำสอนเนี่ยจะเป็นคําสอนที่ มีความหมายที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องเหมือนกับว่าต้องทำเนาะต้องทำให้ได้เดี๋ยวพังเกียนท่านจะพูดอยู่เสมอๆทำได้รับยังทำคลองละไหมอย่างนี้นะอย่างนั้นเนียนั่นนั่นคือตรงเนี้ยการปฏิบัติเนาะการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจะเป็นคำของพระเจ้าก็ดีที่เราได้สวดกันตอนเช้าๆเนี่ยเนาะ อัฏฐะและพันชนะที่ผ่านเราประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกคำทุกวัคทุกตอนเนี่ยมีความหมายมากมากะให้เราได้เหมือนกันบว่าได้เก็บรับออกมาอย่างเมื่อกี้พระจันทร์พระธนชัยก็พาสวดนะที่เราเรียกว่าสรรพาปาปะสักการละหนังการไม่ทำาบาปทั้งปวงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีความหมายมากมากเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาบาปเนาะ จิตใจเราเนี่ยจะวุ่นวายมากเลยอย่างเงี้ยเนาะจิตใจเราวุ่นวายมากเลยสมาธิก็ไม่มีใช่ไหมอย่างนั้นพอสมาธิไม่มีการปฏิบัติธรรมก็ยุ่งยากละอย่างเงี้ยอย่างนั้นหรือว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ให้ไว้สามคำแรกเนี่ยนะการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยสามอันนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอวานปฏิโม ที่พระเจ้าเนี่ยให้ไวนะ้เนาะบอกว่าชาวพุทธของเราเนี่ยต้องทําแบบนี้เนาะใช่ไหมถ้าชาวพุทธของเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางเจอคำพังไม่ทุกข์เพราะนั่นคือคําสอนของพระเจ้าเนี่ยบอกเอาไว้ว่านั่นคือพระธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ทุกขนะ์นะเพราะฉะนั้นั่นคือตรงนี้เนี่ยพทะเจ้าก็ต้องบอกเนาะบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าเราสมาธิสั้นเนาะใช่ไหมครับอย่างนั้น ไอ้อีก6อีก6คำสอนที่ถัดมาเราอาจจะจำไม่ได้แต่แค่3ามอันเนี่ยเราต้องจำได้แล้วนะว่าโอ้ดีนะการไม่ทำบาปทั้งปวงนะการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะแล้วก็การชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยมันเป็นภารกิจเนี่ยที่เราเนี่ยจะต้องทำในทุกๆวันเนาะใช่ไหมอย่างนั้นเพราะว่านั่นคือเป็นเรื่องที่อย่างเราอยู่กับบัดก็มีศีล น, นะไม่ฆ่ามดฆ่าแมงรตานาน า, นานเานี้ ตรงนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อหนึ่งเนาะแต่อีกหลายๆข้อเนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะเนื่องจากว่าพวกนี้เนี่ยพุทธเจ้าเองเนี่ยก็บอกเอาไว้เนาะว่าเรื่องพวกเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราเศร้าหมองเมื่อจิตของเราเศร้าหมองเนี่ยจิตของเราก็ไม่ตั้งมัน่นดั้นนั้นก็คือตรงนี้นะว่ามันเป็นเรื่องที่แค่เพียงเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยเท่านั้นอะ แต่วมันจะมีความหมายนะความหมายกับเรามากๆเพราะเนื่องจากม่าเราจะพบไหมความไม่ทุกเนี่ยตรงนั้นเพราะว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยเราจะต้องทำเนาะทำเฉพาะตัวของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยคำว่ากุศลให้ถึงพร้อมก็มีความหมายว่าเราทำถึงพร้อมไหมเนาะอย่างนึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยใช้ร่างกายของเราเนาะบางที กายก็ทําเรื่องเป็นกุศลนะมาทําบุญํามๆแต่จิตไม่เป็นกุศลอย่างนี้นะอย่างนั้นนั้นคําว่าถึงพร้อมเนี่ยถึงพร้อมทั้งกายถึงพร้อมทั้งใจไหมอย่างนี้เราเองเราก็ต้องคอยสํารวจนะในขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่เมื่อกายทําอะไรเนี่ยใจทําด้วยไหมเมื่อกายทําบุญเนี่ยใจเป็นบุญด้วยไหมแบบนี้เนาะเมื่อกายล้างจานเนาะใจล้างจานด้วยไหมอย่างนี้เนาะอย่างนั้นกายซักผ้าใจซักผ้าด้วยไหมอะไรอย่างนี้นนต่างๆ ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราดูหรือว่าการชำละจิตของตนให้ข่าวอบเนการที่เราเนี่ยคอยรู้ครั้งๆเนี่ยการที่เรารู้ครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งรู้จริงๆเนี่ยก็คือจิตของเราเนี่ยก็หลุดมาเนาะจากก็เรียกว่าความเศร้าหมองความเศร้าหมองของสิ่งที่ไม่ทันได้ตั้งใจคิดแต่เขาเข้ามาเองเนาะแล้วเราเองเราก็เข้าไปสมรู้ร่วมคิดกับเขาเราก็จิตของเราก็เศร้าหมอง นั่น Carr <mar> นั่นคือตรงนี้เนี่ยการชำระจิตของเราก็คือการพาจิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับกายเมื่อพาจิตของเราอยู่มาอยู่กับ <mar> กาย <mar> ไม่ต้องใช้ปลิ้วใช้แฟบอะไรเนาะจิตของเราก็หายเศร้าหมองจิตของเราก็ขาวรอบแล้วอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเนาะได้เหมือนกับว่าได้เอาคาสอนของครูบาอาจารย์เนาะได้เอาคาสอนของพระเจ้าเนี่ยตรงนี้เนามาปฏิบัติแล้วก็มาปฏิบัติเนี่ย เราเอาใจใส่กับการปฏิบัติเป็นครั้งครั้งการรู้เป็นครั้งๆรังก <c oughs> ารรู้เป็นครั้งครังตัวนี้เนี่ยจะเป็นทั้งหมดอยู่แล้วเมื่อคืนนี้พวกเราอยู่ตรงนี้นะก็ได้ยินใช่มัไหมที่หลวงพ่อกำกัเขียนเทศเมื่อคืนเนาะการไม่ทำบาปทางปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวลองเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากการที่เราคอยรู้เป็นครั้งครั้งรู้เป็นครั้งครั้งนี่แหละตรงนั้นทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคืนตรงเนี้ยเนาะ ให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกันบว่าได้ลองเนาะรู้เป็นครั้งคเราจะสัมผัสว่าอือจิตที่ไม่เศร้ามองเนี่ยเราก็รู้แม้ในช่วงแว บ, บเดียวที่เรารู้จริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ว่านั่นคือถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราจะเหมือนค่อยๆหาเนาะเหมือนกับเราเห็นคำผิดเนี่ยในหนังสือคำนึงเนาะใช่เราก็จะหาเจอหาเจอหาเจ อ, เจอบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เราทำเนาะก็เรียกว่า ปฏิบัติทำกันก็เพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ไปถึงนะก็เรียกว่าความไม่ทุกเนี่ยนั้นนั่นคือตรงนี้การที่เรารู้เป็นครั้งๆรู้เป็นครั้งครเนี่ยครูบาอาจารย์พาเราเนาะพาเรานําเราไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าให้เราเนี่ ย, ไ ด, ยนะได้คอยรู้สึกเนาะได้คอยรู้สึกว่าเราถึงจุดนั้นแล้วจรงิงๆนั้นนั่นคือตรงนี้ถ้าเราใช้ความรู้สึกตัวเป็นกันเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะได้สัมผัสนะ ความไม่ถูกกันทุกคนละ่งนั้นก็พวกเราก็กลับมาพร้อมกัน